ตงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539นับเป็นครั้งที่6ของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระสัทธธรรมของพระพุทธเจ้าในหัวข้อเรื่องว่าด้วยการบรรลุ ธ, ธรรมของพระอริยบุคคลบัด น, นี้ได้เวลานสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัทธา ได้ปัญญายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วขอเรียนเชิญ อ, อ, อาจารย์ค่ะท่านุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนทั้งหลายคราวที่แล้วผมพูดถึงประวัติของพระเทระรูปหนึ่งข้ามไปคือตกไปองค์หนึ่งในจำนวนยี่งิบองที่ได้กล่าวเมื่อคราวที่แล้ว องที่ตกไปคือองค์ที่สิบสี่เวลาท่านฟังวรรยายนั้นกรุณาจดลำดับองค์ไปตามลำดับด้วยตั้งแต่องค์แรกไปตามลำดับนะครับเวลาผมเอ่ยถึงจะเอ่ยถึงโดยลำดับขององค์ที่เท่านั้นที่เท่านี้องค์ที่สิบสี่ที่ตกไปนั้นมีชื่อในพระไตรปิฎกนี้ว่าวัจนะวัชชะสมมาเนนวัจนะวัชชาสัมเนนเอ่อ ไม่ใช่วจณาวชาวะ ว, ว, วนะใช่ไหมวนาวชะสมณเณรท่านผู้นี้นั้นความจริงเป็นหลานขององค์ที่สิบสามนั่นเองครับองค์ที่สิบสามที่มีชื่อว่าวนาวัชะองค์ที่สิบสามนั้นเป็นพระภิกษุที่ถือศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดส่วนองค์นี้เป็นหลานเรียกว่าเป็นสมณเณรถือศีลสองถือศีลสิบ ส, สมณเณรรูปนี้นะ่ะเมื่อเป็นหลานของ ท่านวนวัชชาซึ่งเป็นชาวเมืองกระ บ, บิลพัดและเป็นพรามก็แน่นะครับท่านก็จะต้องเป็นชาวเมืองกร บ, บี่ลพัดและเป็นพรามด้วยเป็นลูกของน้องสาวท่านวณวัชชาเหตุที่มาบวชนั้นก็เนื่องจากว่าผู้เป็นแม่ต้องการจะให้มารับใช้ลุงผู้บวชเป็นพระภิกษุประพฤติวัดอยู่ในป่าซึ่งสมณีนเ อ, เองก็มีความชอบมีความเลื่อมใสในการบวชเป็นทุนเดิม เมื่อแม่ให้บวชก็มีความยินดีที่ได้บวชและวันหนึ่งเนี่ยเมื่อบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่านะครับบางเอิญวันหนึ่งท่านเกิดป่วยเมื่อป่วยก็จำเป็นจะต้องออกมาจากป่าเพื่อมาบ้านของญาติเนื่องจากว่าทั้งลุงทั้งหลานนั้นมีนิสัยชอบอยู่ป่ารักป่าด้วยกันลุงเองก็ชอบอยู่ป่าหลาน ก็ชอบอยู่ป่าเมื่อลานป่วยจําเป็นต้องออกจากป่าเพื่อมาสแสวงหาเพสัชปัจจัยบริขารแต่ล้านมาช้าไปลุงก็คือลุงลนะุงก็เห็นว่าเอ๊ช้าผิดปกติปกตินะ่ะลุงก็ตามล้านก็ตามเวลาออกจากป่าเข้าสู่บ้านก็มักจะรีบกลับแต่นี่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงหมายก็ว่าไม่ได้ห่วงว่ากลัวจะป่วยนะ่ะ แต่เป็นห่วงว่าอยู่ในป่านะเป็นผ้าสุกเมื่อเข้าบ้านแล้วก็เป็นห่วงอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีหรือเกิดใจแตกขึ้นก็ห่วงด้วยความคิดว่าอย่างนั้นก็จึงไปตามเนนให้กลับมาอยู่ป่าเอาแล้วก็พยายามสั่งสอนคือใช้โอกาสในตอนนี้นะครับสั่งสอนโอวาทแก่สัมมเนนจนกระทั่งทําให้สัมมเนนนั้นเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนใจเนี่ยฉันใช้คว่าสังเวชเป็นความสะเทือนใจในลักษณะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะมีหลายกรณีแต่รวมเรียกว่าสังเวชก็เลยเร่งปฏิบัติธรรมจนทั้งบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปอีกองค์หนึ่งทั้งลุงทั้งหลานลุงนบบรรลุอยู่แล้วะครับหลานก็ได้บรรลุตรงนี้นะอยากจะอ่านคาถาที่แสดงถึงความรู้สึกกรลักป่า ของท่านที่ท่านตอบลุงนะฮะแล้วก็ถือว่าคําพูดของสมณะนนที่ตอบลุงเนี่ยเป็นคําพูดที่เป็นเหตุหรือเป็นแรงกระตุ้นทําให้สมณะนนนั้นเกิดวิญยาลัมพะปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานอยบรรลุปเป็นปลาล้านแล้วท่านจึงได้นําเอาคําพูดที่กล่าวกับลุงหรือที่ลุงกล่าวกับท่านด้วยในตอนนั้นนะมาเป็นอุานาทานนาคาถา แสดงความประทับใจในการบรรลุธรรมอันนี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ า, าผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุให้บรรลุท่านก็จะมีความประทับใจในเหตุนั้นบางทีสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ก็ตามหรือเป็นคําเริ่มต้นที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดธรรมสงเวทก็ตามท่านจะประทับใจที่เรียกว่าเป็นสิ่งลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เหมือนสถานที่บรรลุธรรม เหตุแห่งการบรรลุธรรมลึกถ้อยคําที่เป็นคาถาทําให้เป็นแรงกระตุ้นบรรลุธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านลืมไม่ได้และท่านมักจะเอามาพูดไม่ลืมเป็นลักษณะของคําฝังใจสมณเนนได้พูดว่าอย่างนี้ครับท่านกล่าวว่าพระอุปชาของเราได้กล่าวกับเราว่าอุปชาหมายถึงลวงหลองลงนั่นแหละดูก่อนศรีวก่กะศรีว่ากาเป็นชื่อตัว เป็นชื่อตัวแต่ว่าในพระไตรปิฎกนั้นเรียกว่าวันวัชชาสัมเน็หลวงหลุงกล่าวกัะท่นว่าดูก่อนศีวกาเราจะไปจากที่นี้กายของเราอยู่ในป่าแต่ใจของเราไปอยู่ อ, อ่าประทานโทษกายของเราไปอยู่ในบ้านแต่ใจของเราไปอยู่ในป่าแม้เรานอนอยู่ก็จากไป ความเกี่ยวข้องโดยหมู่ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้แจ้งชัดอันนี้ก็เป็นคำพูดของลุงเป็นคำพูดของลุงแล้วก็เป็นคำพูดที่ท่านท่านจะเรียกว่าจามาจากลุงแล้วก็กล่าวตอบกับใครๆแล้วก็กล่าวตอบกับลุงด้วยว่าตัวไปอยู่บ้านแต่ใจอยู่ป่านะฮะหมายความอย่างนั้นแสดงถึงความผูกพันในป่าของทั้งลุงทั้งหลานที่มีอยู่เสมอกัน อ่านี่ก็เป็นประวัติไม่ยืดยาวอะไรนะครับสำหรับประวัติของท่านผู้นี้ที่เราได้ข้อสังเกตก็คือว่าพระเนนสมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีไปบวชนะขัดใจแม่ขัดใจพ่อไปบวชที่พูดกันเป็นสัมนวนว่าออกบวชโดยที่มารดาหรือบิดามีใบหน้านองนองด้วยน้ำตาอย่าไปตีความมาเป็นจริงเสมอนะครับ หมายความว่าขัดใจพ่อขัดใจแม่แม่แมไม่ต้องการให้บวชก็จะใช้คำนวนนี้เหมือนกับคำนวนว่าตัวเปียกผมเปียกตัวเปียกผมเปียกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบางทีก็อาจจะจริงแต่บางทีพูดเป็นคำนวนตัวเปียกผมเปียกไม่จำเป็นจะต้องจริงอย่างนั้นเสมอไปหรือคำนวนว่าฝ่ามือเปื้อนเลือดอาจจะไม่ได้เปื้อนก็ได้แม้ถึงว่าจะใช้ธนูยิงสัตว์ก็เรียกว่าฝ่ามือเปื้อนเลือดเอ่า เราก็ผ่านองค์นี้ไปนะครับไปต่อองค์ลำดับถัดจากคราวก่อนองค์ลำดับถัดจากคราวก่อนคือองค์ที่ยี่สิบเอ็ดครับองค์ที่ยี่สิบเอ็ดองค์ที่ยี่สิบเอ็ดมีชื่อว่าท่านนิโครธะท่านนิโครธะนิโครธาเนี่ก็แปลว่าต้นไทรแหละครับแต่นี่เป็นชื่อของบุคคล บางบางคนเราก็รู้ว่าทำไมถึงชื่อนี้บางคนก็ไม่รู้อย่างองค์นี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงชื่ออย่างนี้ท่านผู้นี้เป็นชาวสาวัตถีเหมือนกับหลายๆองค์ที่กล่าวมาส่วนใหญ่เกิดในสกุคลครามมหาศาลคือพรามที่ร่ารวยเอเหตุที่ได้ออกบวทนั้นก็เนื่องจากว่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคในวันเสด็จไปรับคือในพิธีรับพระเชตวันมหาวิหาร อันนี้เราจะตั้งก้อสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าการแสดงพระองค์ของพระบุตรเจ้าหรืองานเป็นลักษณะของงานสังคมอย่างของพระบุตรเจ้าซึ่งเป็นสังคมของการไปสงเคราะห์สัตว์ที่มีบุคคลมาประชุมกันเป็นหมู่ใหญ่เนี่ยครับยังมีผลในทางสร้างศรัทธาด้วยการเห็นบ้างด้วยการแสดงธรรมบ้างเป็นอันมาก อันนี้ก็เป็นเป็นข้อยืนยันของความเป็นทัศนานุตริยะกับสวนานุตริยะที่ได้จากพระพุทธเจ้าเราจึงคุ้นกับประวัติของพระเทลรซหลายองค์ว่าออกบวชหรือศรัทธาหรือเปลี่ยนาศาสนาเพราะได้เห็นพระพุทธเจ้าในวันสเสด็จไปในพิธีรับพระเชตวันจากอนาถาบินฑิกาเศรษฐีในสมาคมอื่นก็มี อีกหลายองค์หลายครั้งนะครับซึ่งวันนี้ก็อาจจะถึงตัวอย่างในที่อื่นบ้างไม่ใช่เฉพาะกรณีของการไปรับเจตวันอันนี้โครธเมื่อได้เห็นพระผู้มีพระภาคก็เกิดความเลื่อมใสและได้บวชอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีวาสนาบารมีแรงคือศรัทธาเกิดง่ายศรัทธาในพระพุทธเจ้าเกิดเพียงแค่เห็นและศรัทธาถึงขั้นบวช อันนี้เป็นตถาที่ยิ่งขึ้นไปและได้ระบุว่าเมื่อบวชแล้วก็ไม่นานด้วยได้อบรมวิปัสนาจนกระทั่งเป็นอรหันต์ถึงพร้อมด้วยวิชาหกประการเป็นอรหันต์ประเภทฉ ล, ลาพิญญาคือมีวิชาหกวิยาหกก็คือโลก อ, อรหัตตมรรคอันหนึ่งแล้วก็วิชาคือฤธิ์ที่เป็นฝ่ายขั้งโลกีอีกห รวมกันเป็นหกด้วยกันก็ได้บรรลุไปอย่างง่ายๆาในนี้ไดอ้อยากจะเล่าถึงอดีตที่ท่านได้ทำบุญไว้อย่างไรผมจะไม่เล่าทุกองค์ก็เล่าเป็นบางองค์ที่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือกล่าวว่าท่านนี้โครธอรหันต์ลูกนี้นะ่ะในสมัยอดีต ได้ทำบุญครัง้งสาคัญไว้ในสมัยพระปิยทัศ ส, สีพุทธเจ้าซึ่งในตอนนั้นตัวเองก็เกิดเป็นลูกของคนมีเงินมีทองแล้วก็ได้บวชเป็นดาบทไปประพฤติพรหมจรรย์ตามแบบของดาบทอยู่ในป่าสาระเป็นเวลาชานานจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นก็ได้ทรงแผ่ขายพยานเห็นว่าดาบทนี้ ควรจะได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยเปิดโอกาสให้ได้ทําบุญจึงได้ทรงเสด็จไปสู่ที่ใกล้อาสมของดาบ ท, ทู่นี้การเข้าไปเสด็จที่ใกล้นะไม่ได้ทรงแสดงทําอะไรก่อนเพราะทรงกําหนดรู้ว่าผู้นี้เมื่อได้เห็นเราแล้วจะเกิดความเลื่อมใสท่านก็ไปเข้านินโรธทศมาบัตคือสมาบัติดับจิตให้ดาบทเห็นแล้วก็ สมพุทธประสงค์ดาบทเห็นเข้าก็เกิดความลื่อมใสเกิดปีติอเนื่องจากว่าดาบทเนี่ยเขาก็คงจะคุ้นคุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทําสมาธิอะไรอยู่บางแล้วและไปเห็นคนที่มีสมาธิสูงกว่าเป็นอัศจรรย์อย่างนี้มีบุคลิกน่าเลื่อมใสอย่างนี้ก็เกิดเลื่อมใสปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรีละจึงได้เข้าไปกราบไหว้ บูชาความจริงก็แค่กราบบ่ายบูชาปลนนิบัติรับใช้เท่าที่จะทําได้ในสภาพของคนที่เข้านิโรธสมาบัตินะฮะพระผู้มีพระภาคเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติก็ทรงส่ ง, สงกระแสจิตเรียกภิกษุมาภิกษุหมายถึงภิกษุที่เป็นพระสาวกในครั้งนั้นพระภิกษุทั้งหลายก็พากันจาริกมาสู่ที่พระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่กับดาบทแล้วก็ ดาบทเนี่ยเมื่อได้เห็นภิกษุทั้งหลายเป็นอันมารทั้งอัครสาวกซ้ายขวาของท่านและพระอาหารหันต์รูปอื่นก็เกิดปีติเลื่อมใสกราบไหว้แล้วก็ในที่นั้นดาบทได้เลื่อมใสแสดงความปรารถนาขอบรรลุธรรมเช่นพระสงฆ์สาวกเหล่านี้ในอนาคตเบื้องหน้าก็จึงเป็นวาสนาบา ร, รมีติดตัวมาใน ชาติปัจจุบันทําให้เห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเรื่อมใสก็เป็นบุคคลหนึ่งแหะครับที่ถ้าเราพูดถึงผู้ที่เลื่อมใสเพราะการเห็นซึ่งเราได้พูดถึงบางองค์มาบ้างแล้วองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งที่เลื่อมใสเพียงแค่การเห็นทํานองเดียวกับมัฏฐกุฎาีมัฏฐกุฎาีก็เรื่อมใสเพียงแค่การเห็นแต่ว่าไม่ถึงก็ออกบวชแล้วก็ไม่มีโอกาสจะออกบวชด้วยเพราะว่าเป็นเวลาใกล้สิ้นชีพแล้ว เพราะนั้นแค่ไปให้เห็นก็เลื่อมใสใครที่มีลักษณะศรัทธาจ้องหาสัตยยะวัตถุอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็โปรดง่ายไม่ต้องพูดกันเลยก็เลื่อมใสแล้วต้องเป็นคนมีดีอยู่ในตัวมากเราผ่านไปถึงอีกองค์หนึ่งชื่อว่าท่านจิตตกะองค์ที่ยี่สิบสองครับท่านจิตกะนั้นเป็นชาวเมืองราชคฤึก อย่าลืมว่าเราจะคือกะสาวัตถีนะเป็นเมืองคู่แข่งกันในทางเรียกว่ามีรัศดรเป็นเวนยสัตย์มากทั้งสองเมืองนี้ที่อผมน่ะมองดูอย่างคร่าวๆแล้วเห็นว่าสาวัตถีน่ะมากกว่านะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้ถึงกันนับเอากันเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดูอย่างทั่วๆไป แต่ว่าไอ้ข้อแตกต่างอย่างสคัญก็คือว่าราชครืนั้นเป็นอาจจะพูดได้ว่าราชครืเนี่ยเป็นที่รวมของเวนยศัตร์ที่บรรลุก่อนบรรลุก่อนมีบา ร, รมีแก่มีบา ร, รมีมากกว่าเพราะนั้นพวกเวนยศาตร์ที่บรรลุก่อนเนี่ยจะไปเกิดที่นั่นแล้วพระเจ้าจะทรงปฏิสถานพุทธศาสนาที่นั่นก่อนเผยแผ่ได้ผลก่อนเมื่อ โกรดพระเจ้าพิมพิสารนะ่ะถึงกับว่ามีพวกอำมาตราชเสวกอนาประชารอดอนาประชาราชที่โดยเสด็จด้วยบรรลุถึงสิบเอ็ดน้หุนหน้หุนิเอดนหุนก็คือน้หุนเราหมื่นน้หุนเราหมื่นก็สิบเอ็ดหน้หุนก็หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นรวมทางพระเจ้าพิมพิสารด้วยความจริงไปฟังละสิบสองน้หุน อีกหนาหูดหนึงไม่ได้บรรลุเป็นแต่ได้ความเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นพุทธมามากานะเท่านั้นพระพุทธศาสนาในส่วนเบื้องต้นพุทธศาสนายุคต้นปฏิสถานที่เมืองราชกฤห์แควนมคขท่านจิตกนะนั่นก็เกิดที่เมืองนี้ครับเป็นลูกของพรหมหาสารและเหตุที่ได้ ออกมาบวชเนี่ยครับเพราะได้ฟังธรรมในวันเข้าเฝ้าอันนี้ระบุว่าได้ฟังธรรมที่แสดงโดยพระพุทธเจา้าในวันที่พระผู้มีพระภาคสเสด็จรับวัดแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดพระเวรวนวัดเวรวนนถ้าเราไปอ่านเอกสารในอินเดียในปัจจุบันเนี่ย เขาไม่ออกเสียงว่าเวรุวันออกเสียงว่าเวนุวันเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่างั้นเวนุวันเขาเขียนตามภาษาสันกฤตสันสกฤตเรียกวเวนุวันภาษาบาลีเรียกเวรุวันพิธีมอบเวรุวันนั้นก็เป็นงานใหญ่เราก็ไม่รู้แหละครับว่าระหว่างเวรุวันวัดแรกของลุธศาสนา กับเชตะวันวัดแรกของเมืองสาวัตถีเนี่ยพิธีใครใหญ่หญหญกว่ากันต้องสังเกตศึกษาต่อไปแต่ที่เราคิดว่าวัดเวฬุวันน่าจะใหญ่กว่าก็เนื่องจากว่าเป็นวัดของพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นมหาอำนาจแต่อนาถานั้นถึงไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็มีบุญเป็นมหาอำนาจพระราชาเสด็จด้วย ในวันนั้นเมื่อท่านจิตกะพรามได้มาสู่ที่เฝ้าได้ฟังธรรมเทศนาก็เกิดความเลื่อมใสถึงก็ออกบวชทันทีเลยครับและเมื่อบวชแล้วก็เรียนกรรมฐานอันนี้ให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าในประวัติของพระเกือบจะว่าทุกองค์ละ ผู้ได้ว่าทุกองก็ไม่ผิดท่านจะใช้คําว่าเรียนกรรมฐานและบางองค์เนี่ยบางทีละอ่านแล้วก็ใจผิดว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้ามาเหมือนอย่างเงี้ยเรียนกรรมฐานโดยลําดับจนถึงขั้นอหรหันต์หมายถึงทฤษฎีทฤษฎีหมายความว่ า, าวิปัสสนากรรมฐานที่เรียนอย่างในขั้นก่อนบรรลุโสดาก็อันหนึ่งในขั้น เสขะบุคคลก็อันหนึง่งในขั้นอรหันต์ก็อันหนึง่งมันต่างกันเวงท่านครับบางองค์ระบรุเรียนถึงขั้นอรหันต์ผมอ่านแค่นั้นบางคนก็บรุรุแล้วความจริงบอกยังเป็นแต่ทฤษฎีเรียนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อทรงสแสดงทำโปรดคารวาสผู้ครองเรือนเนี่ยสแสดงอนุปูปิกถาทานศีลภาวนาจนกระทั่งถึงโทษของการกรองเรือน เสร็จแล้วก็จะมาอีกขั้นนึงนแสดงถึงเรื่องอริยสัจสี่พอถึงแสดงถึงอริยสัจสี่นั่นแหละจึงจะมีผลทำให้ผู้นั้นบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็จากนั้นก็จะทรงแสดงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอันนี้เลยเล่าประกอบให้เห็นชัดเจนนะอย่างเช่นโปรดเบญจวัคคีเนี่ยแสดงอนัตตลักษณะสูตรภายหลังนะฮะก็หมายถึงเป็ น, ป น, ปนวิปัสสนาขั้นหลาน หรือที่พระสารีบุตรไปเยี่ยมอนาถาบินธิกาเศรษฐีตอนป่วยนะสองครั้งครั้งแรกก็ป่วย ไ, ไปไปเทศโปรดด้วยธรรมะอื่นในระดับภูมิโสดาก็หายป่วยครั้งหลังน่ะป่วยถึงขนาดรู้ว่าตัวเองต้องตายท่านสารีบุตรไปพร้อมกับท่านอานนุนไปแสดงธรรมะ วิปัสนาขั้นอรหันต์แสดงจบพระสาลิบ อ, า อ, น, อนาถาร้องไห้ร้องไห้ท่านอนอก็ถามว่าร้องทำไมที่บอกว่าร้องไห้เนี่ยเพราะว่าธรรมะที่เคยฟังแต่ก่อนเนี่ยเป็นขั้นพระเสกนะฮะแต่เดี๋ยวนีนะ้ได้ฟังขั้นพระอรหันต์ชื่นใจทราบซึ้งเหลือเกินเป็นความรู้ที่แปลกใหม่ ลึกซึ่งกับมีระพจึงร้องไห้แต่ร้องไห้ไม่ได้บรรลุหรอกนะไม่ได้บรรลุเป็นแต่ว่ามีศรัทธาต่อ ร, รับวิปัสนาขั้นอรหันต์อันนี้ก็ความจริงไม่ใช่เรื่องแปลกคนระับเพราะว่าคนปฏิบัติเนี่ยเวลาสอนต้องเป็นขั้นๆไปนะะสมมติคนไม่รู้อะไรเลยขั้นแรกนะเวลาสอนอะไรต่ออะไรต้องอยู่ในขั้นนั้นแม้แต่เรื่องอานิสงส์อานิสงส์การละบาป การจเจริญกุศลต้องอยู่ในขั้นนั้นแล้วเขาก้าวขึ้นมาถึงอีกขั้นนถึงแสดงขั้นต่อไปจึงจะเข้าใจได้ไอเข้าใจได้อันหนึ่งแต่หมายถึงเกิดความรู้สึกตอบรับเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเข้าใจได้นะเราก็เข้าใจกันเยอะแยะแต่มีความรู้สึกตอบรับเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยคนจะตอบรับขั้นสูงได้ต้องหมายความว่าสําเร็จขั้นเบื้องต้นแล้ว <c oughs> ก็จะว่าต่อไป ท่านเรียนกรรมฐานเสร็จแล้วก็เข้าป่าอันนี้ก็เกือบจะพูดได้ว่าเป็นธรรมดาพระส่วนใหญ่แต่บางองค์ก็ไม่ต้องท่านได้เข้าเขบรรลุแต่ว่าท่านทุนี้ได้เข้าป่าเข้าป่าแล้วก็ท่านได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบใช้ฌานเป็นบาตรคือทำฌานให้เกิดก่อนแล้วต่อวิปัสสนาบรรลุอรหันต์ในเวลาอันไม่นานบอกว่าไม่นานเนะ ผมก็จนปัญญาบอกไม่ได้ว่ากี่วันแต่ยังยิ่งไม่เกินพันษาแต่ว่าถ้าถึงขั้นพันษาเนี่ยท่านจะมีคำพูดบอกไว้ให้ว่าพันษานั้นท่านาผู้นี้ได้เคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าเอาไว้ในอดีตสมัยพระพุทธวิปัสสีก็สังเกตว่า บุญที่พระทั้งหลายทํากับพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยโดยมากนี่นะครับจะเป็นบูชาเพราะฉะนั้นบูชาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าศึกษากรณีพิเศษอันหนึ่งแต่ได้เคยบอกแล้วว่าการบูชาเนี่ยได้บุญมากแต่คนทั่วไปนึนนกว่าการบูชาไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไร เพราะว่าบูชาแล้วคนถูกบูชาไม่หิมไม่ออกใช่ไหมฮะไอคนบูชาก็รู้สึกว่าไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเท่าไหร่เรามีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงการบูชาเนี่ยมีหลายอย่างแม้แต่ว่าเอาของไปให้พระตาหารไปให้เป็นรูปของการบูชาก็ได้เหมือนอย่างเราบูชาด้วยของกินของบริโภคกับระบุตะลุกหรือบูชาด้วยดอกไม้ก็ได้หรือแม้แต่การปฏิบัติเพื่อบูชานี่ก็ถือว่าพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก โดยสภาว่าก็หมายความว่าใช้ศรัทธาใช้ศรัทธาใช้บุญกิจยาที่สําเร็จได้ศรัทธาเนี่ยครับเป็นปัจจัยแก่ภาวนาหรือถ้าพูดเป็นตัวอินทรีย์ก็คือใช้สัตทินทรีย์เป็นประโยชน์แก่วิริยินทรีย์เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของวิยทยาเจตสิกใช่ไหมก็เรียกว่า ปฏิบัติบูชาปฏิบัติเฉยๆก็อย่างหนึ่งปฏิบัติบูชาก็อย่างหนึ่งศรัทธาเป็นตัวชักนําเป็นตัวอุดหนุนวิริยะแต่ว่าในอดีตองค์นี้นะท่านบูชาด้วยเครื่องบูชาคือดอกไม้ทูกเดียนอย่างเราทําอยู่นี้แหละครับแต่บูชาด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งเป็นปฐมเบื้องต้น ของการสร้างบารมีของท่านองค์ที่ยี่สิบสามถัดไปครับชื่อว่าโคสาละท่านโคสาละนี้เป็นชาวมคตอีกเช่นเดียวกันเกิดในสกุลที่มั่งคัง่งท่านผู้นี้เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพระเถระที่เรารู้จักกันดีองค์หนึ่งครับคือท่านโสนกุติคันนะ คุ้นเคยในยคุ้นเคยกันตั้แต่ยังไม่ได้บวชท่านโสนกุติกานะเนี่ยเป็นลูกคฤหาบดีชาวอาวันตีซึ่งออนหลังได้มาเลื่อมใสายพระพุทธศาสนาด้วยความสามารถของท่านกัจจายนะที่เป็นพระเถระสําคัญองค์หนึ่งในครั้งนั้นแล้วก็ได้มาปรับรับใช้เป็นลูกศิษย์รับใช้อยู่กับท่านมหากัจจายนะ จนกระทั่งอยากจะบวชบวชไม่ได้ที่บวชไม่ได้เพราะว่าองค์สงคือศาสนาเพิ่งเผยแพร่ไปองคองค์สง์ที่จะทําหน้าที่บวชเนี่ยยังไม่ไม่พร้อมตอนหลังก็ได้มีการแก้ไขขอพุทธานุญาตจนกระทั่งบวชได้บวชได้และท่านก็มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาสวดสาธยายธรรม โดยสําเนียงที่ไพเราะจนกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาสาธุการให้พักอยู่ร่วมกุฏิเดียวกันก็เหตุที่ท่านบวช น, น, นี่องค์นี้นะที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยท่าน โ, โคสาระนะเหตุที่บวชเนี่ยเพราะรู้ข่าวว่าท่านโสนะกุฏิกันนะบวชคือคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาคิดของเขา ในทำนองเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันหมดนะเช่นอย่างองค์นี้ท่านก็คิดว่าเอท่านโสนาคุติกันนะเนี่ยท่านก็เป็นลูกผู้ดีมีเงินเอทำไมไปบวชคือคิดในเชิงการตีฆ่าหาในทางอนุมานว่าทำไมไปบวชกับพระพุตธเจ้าแสดงว่าการบวชนั้นต้องให้คุณค่าดีกว่าการครองทรัพย์สินสริงขาน และอันหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั้นต้องมีดีธรรมวินัยของพุทธเจ้าต้องมีดีพอคิดได้อย่างนี้ก็สนใจเรื่องการบวชอย่างเรานี่ก็เป็นเพื่อนกับท่าน่อเรียกว่าเที่ยวไหนก็เที่ยวนั่นกินไหนกินนั่นสนุกด้วยกันเมื่อตอนนี้เพื่อนไปบวชที่ไหนเราก็ควรเดียวไปบวชที่ก็อันนี้เป็นเรื่องของความคิดนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงเป็นเรื่องของบา ร, รมีที่ทาสังสมกันมา จึงได้มาเกิดร่วมกันแล้วก็มาได้ความรู้สึกต่อธรรมะคล้ายๆกันในที่สุดก็บวชบวชแล้วก็ไปบําเพ็ญกรร ม, มาฐานอยู่ที่เขาลูกหนึ่งชื่อว่าสานุความจริงก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะให้ได้มีความหมายจะต้องอธิบายอะไรไม่ไกลจากบ้านเกิดคราวนี้ เมื่อท่านบวชอยู่ใกล้ๆบ้านเกิดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้สงเคราะห์แม่แม่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่หรือเปล่านะไม่ได้บอกแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยเมื่อลูกบวชแม่ก็อยากแกถวายทานทําบุญจึงเอาอาหารไปถวายท่านทุกวันภูง่ า, า, ายๆว่าใส่บาตรทุกวัน แต่ไม่ได้ไปใส่ที่บ้านนะครับใส่ที่นาบานท่านก็ออกไปบินาบาตรับบาตรจากจากแม่ทุกวันแม่ก็ทําอาหารประณีตแล้วก็เพราะทําอาหารประณีตนี่แหละครับท่านจึงได้ระบุว่านี่เป็นโภชนะสับปายะคือแม่ปรุงมัทุ ป, ปายาติถวายพระลูกชาย ในวันหนึ่งนะในวันหนึ่งที่ที่ทำให้บรรลุธรรมเนี่ยพอพาลูกชายได้มาทูปายาที่ปรุงอย่างดีจากแม่ก็ไปฉันใต้ต้นไม้ฉันแล้วก็ได้ความรู้สึกกระปรี้กระเปราล้ลางบาศเสร็จแล้วก็ลงมือนั่งทำวิปัสสนากรรมฐานก็บรุลมักตามลำดับ ตีลวดไปจนถึงพระอาหารหันต์เลยท่านบอกว่าเพราะได้โภชนะสัพพายะได้โภชนะสัพพายะเนี่ยกิเลสเอาไปใช้ก็ทําให้เสียได้ความเพียรเอามาใช้ก็เป็นประโยชน์ในทางสัพพายะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของกรณีของโภชนะสัพพายะนี่ถ้าจะยกตัวอย่างแบบสมัยวิทยาการนะยกตัวอย่างท่านพู้นี้ก็เข้า ตําตลาเดียวกับพระพุทธเจ้าได้รับมัทุปายาตจากนางสุชาดาในวันตรัสรู้ได้โภชนศาศพายะเช่นเดียวกัน อ, อยากจะเล่าบุพกรรมท่านสักนิดหนึ่งแปลกดีครับที่ว่าแปลกเนี่ยคือบุพกรรมที่ท่านทำในชั้นเบื้องต้นเล่าว่าท่านได้เคยไป คบผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็หมายถึงผ้าจีวรแต่เป็นผ้าจีวรของพระปัจเจกุติเจ้าองค์หนึ่งข้อ ย, อยู่ที่โคนไม้ไปเห็นผ้าเท่านั้นละครับเกิดความเลื่อมใสว่านี่เป็นธงชัยของพระอราหันต์ก็เข้าไปทำความเคารพนอบน้อมแล้วบังเอิญเป็นผ้าของพระอราหันต์จริงๆรอราหันต์ปัจเจก ด้วยอานิสงส์ของการไปบูชาพระบางสกุลของพระปัจเจกพุทธเจ้านี่แหละเป็นมหากุศลดนบันดาลทำให้เมื่อสิ้นชีวิตนะ่ะเป็นตัวนำเกิดทำให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวประดึงแล้วก็ได้เป็นบารมีติดตัวมาเลยเป็นคนรักผลางเป็นคนรักผลองเราก็ได้คติว่า อะไรที่เป็นเครื่องเกี่ยวข้องกับพระอระหันเนี่ยพูดแล้วว่อย่างนั้นนะเราเข้าไปศรัทธายินดีแม่ไม่ถึงตัวแม่ไม่ถูกตัวแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นอนุสรไปถึงตัวก็เป็นมหากุศลเหมือนอย่างสังเวสังเวชนียสถานสี่แห่งก็ดีหรือพระพุทธรูปที่ปั้นขึ้นมาก็ดีหรือรอยพระบาท ลอยฝ่าประบาทพระพุทธเจ้าก็ดีหรือบาดพระพุทธเจ้าก็ดีหรือผ้าบังสกุลของพระพุทธเจ้าก็ดีผ้าเหลืองไตรจีวร อ, อัฐะบริการเนี่ยบูชาและได้บุญได้บุญพิเศษเนะก็เพราะว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นกับความดีที่มีจริงในบุคคลผู้ดีจริงเนี่ยตัวศรัทธานะมันเหมือนสายเชือก่ะที่ดึงดึง สายเชือกเป็นทั้งเชือกและเป็นทั้งพลังบุญด้วยนะพูดเป็นภาษาใจเรียกว่าเป็นทั้งนานคณิกรรมมาปัจจัยและเป็นอปัจจุบันนิสยาปัจจัยคือพลังที่ดึงคนไปสู่ทางดีสองแหล่งช่วยกันการบูชานจึงมีอนุภ า, าพพิเศษอย่างนี้อย่าได้ดูถูกอย่าได้นึกว่าเป็นของไม่มีอะไรเป็นอังคารอย่าได้เชื่อเป็นอังคารว่าไหวอะไรไหว้พระเสียเปล่า วาเจ้าได้กินอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีกรณีบูชาปแปลกๆจากประวัติของพระบางองคนะแปลกดีเราอ่านเรื่องท่านแล้วเราก็อุ่นใจในพฤติกรรมบางอย่างที่เราได้เคยทําลงไปเราดูท่านต่อไปก่อนนะท่านต่อไปคือท่านสุคันธะองค์ยี่สี่ครับท่านสุขันธะนั้นเป็นชาวเมืองสาวัตถีเกิดในสกุลรามประวัติของท่านนะค่อนข้างจะ ประหลาดในทางดีอันนี้ก็จะเป็นคติอะไรบางอย่างแก่เราครับใครที่ทำบุญอย่างนี้ไว้เห็นจะได้เชื่อจเจริญลอยตามท่านสุกันทะคือในวันที่ท่านปฏิสนธิในคันมาดาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ประหลาดแต่ไม่โลดผลประหลาดด้วยอนาจบุญอันหนึ่งคือว่า ร่างกายของแม่เนี่ยเกิดกลิ่นหอมหอมกระจายไปทั่วห้องแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือในวันเกิดวันปฏิสนธนะิวันหนึ่งวันเกิดก็มีกลิ่นหอมขจรไปทั่วเรือนเลยทีนี้แทนที่จะมีกลิ่นคาวเหมือนอย่างคนอื่นเกิดนะลมไปทางไห น, นก็หอมไปทางนั้น พ่อแม่เห็นปรากฏการณ์อันประหลาดอย่างนี้ก็มองหน้ากันแล้วบอกเออลูกเรานี่มันตั้งชื่อตัวเองให้ตัวเองตั้งแต่กเกิดตังชื่อตัวเองคือกลิ่นหอมกลิ่นหอมบาลีใช้คําว่าสุกันทะคันทะแปลว่ากลิ่นสูบแปลว่าหอมก็เลยเอาก็ตั้งชื่อมันอย่างนี้ก็แล้วกันชื่อว่าเด็กชายสุขันทะ ท่านก็บอกว่าทําไมถึงมีกลิ่นหอมไอเนี่ยถ้าเราคุ้นๆกับวงการวิปัสนาแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆบางทีไม่วิปัสนาก็มีที่เราไปไหว้ไปงานศพงานสวดบางคนมีกลิ่นหอมนะบางทีก็ไปตามป่ามีกลิ่นหอมแล้วบางองค์นะแม่เดี๋ยวนี้พระที่วงรู้จักบางองค์เนี่ยเวลาท่านมาเนี่ยมีกลิ่นหอมมะลิมาเลยเวลาไปอยู่ในธรรมในอะไรเงี้ยนะเป็นกลิ่นประจําตัวท่าน กลิ่นหอมมะลิมาเลยนำหน้ามาก่อนก็ไม่ได้ถามว่าท่านไปทำบุญอะไรมาจะจะชาิปังก่อนนะถึงได้กลิ่นหอมมะลิติดตัวมาทีนี้พวกอย่างพวกเทวดาเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาชั่วกลาวหรือมาปฏิสนธิเขาจะนํากลิ่นมาด้วยติดตัวมาแล้วพอปฏิสนธิก็กลิ่นก็ดับไปชั่วขณะปฏิสนธิอีกครับบุญส่งผล ทำให้เกิดกลิ่นหอมตลบไปท่านได้ทำอะไรไว้ท่านก็ไขว่า <c oughs> ในอดีตเนี่ยที่ได้มีโอกาสทำบุญครั้งสำคัญอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นคือท่านได้เกิดเป็นกูดุมพีกูดุมพีก็หมายถึงคนที่มีอันจักิน่นแต่ไม่ถึงกับมหาสาร เหมือนอย่างพวกพระมหาสารได้ทำบุญถวายพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ครับคือพระพุทธกัสปะก็พระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วเนี่ยพระพุทธกัสป ะ, ะพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงมีพักคันตะกุดีอันนี้ก็จะเห็นว่ากุติพระพุทธเจ้าจะนิยมเรียกว่าคันทะกุดี แล้วบางทีก็เติมมู ล, มลคันละมูลละคันตะกุดีอธิบายกันไปคนละอย่างทั้งอย่างแต่อย่างหนึ่งที่ฟังและดูดีก็คือว่ามูลเนี่ยแปลว่ากองกองคันท่คือกลิ่นกองกลิ่นกองกลิ่นแต่คําว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่มีเป็นกองหรอกแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะอยู่กับสิ่งที่เป็นกองได้คืออยู่ตามดอกไม้จำไมก่อนนะ ดอกไม้เลื้อยพวกก็แจกจันอะไรก็แล้วแต่เวลาคนเข้ามาเฝ้าพุทธเจ้าเนี่ยพวกเข้าไม่ถึงหรือท่านไม่อยู่ก็ดีหรือท่านอยู่แต่ไม่ใช่เวลาเข้าเฝ้าก็ดี mm hmm. ก็จะเอาดอกไม้เนี่ยมาวางไหวไหวใกล้ใกล้กุฏิวางจนกระทั่งกลายเป็นมูลคือเป็นกองขึ้นจึงชื่อว่าเป็นกองกลองกองกลิ่นกุฏิที่กุฏิพุทธเจ้าจะมีกลอง ไอ้แม่พูดแล้วมันกล้ามผิดกองกลิ่นทุกแห่งไปก็เดี๋ยวนี้ขนาดพุทธเจ้ามาอยู่แล้วยังมีกองกองเลยไอ้กองกองบางอย่างก็กองแต่จนเรารู้สึกไม่ชอบไม่ถูกตาเราเลยอย่างเขากี้จิกูดเนี่ยเวลาเขาไปถ่ายรูปมาแต่ละทีก็ไม่เหมือนกันละครับางทีก็มีอะไรต่ออะไรแต่ไปอย่างเดี๋ยวนี้ก็มักจะมีของบูชาวางวางอยู่นะ นี่ขนาดแกแข ก, กมันวูวัยอะไรอย่างไรเหลือไอเป็นกองแต่ว่าไอที่ว่าไม่ชอบก็คือว่าพวกชาวพุทธมหายานทําอันหนึ่งซึ่งถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมไม่ให้ทําแต่แขกที่ไม่เจ้าหน้าที่ผมก็ไม่คิดหรอกคือเขาไปเที่ยวขุดไอพวกเศษถินน่ะใครไปคงนึกออกเอามาวางแผ่นสองแผ่นวางอันหนึ่งแล้อีอันหนึ่งมาวางตั้ง เป็นเชิงลักษณะภูเขาแล้วก็วางกันเต็มเกลื่อนไปเลยผมว่าถ้าพวกพวกมหายาณโยาพวกลามะพวกทิเบตมาบูชาอีน้อยภูเขาโค่นน่ยนะมันขุดกองกันจนดูลกหน้าเกลียดเสียสภาพสิ่งแวดล้อมเลยนะไอ้อย่างนี้ไม่ควรทำทำแล้วเสียไม่สวยเลยครับและเสียความมั่นค ง, งของสถานที่ด้วย คงคงนึกออกนะฮะที่พวกเราได้ไปเห็นมาแล้วก็เห็นเฉพาะที่เขาวิญาณูที่อื่นนึกไม่ออกว่ามีหรือเปล่างั้นเขาก็ถือเป็นการบูชาแบบของเขานะแต่ว่าที่จะ ก, กล่าวถึงท่านสุขันธะเนี่ยพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงได้กุติมีกุติเป็นที่ประทับอยู่ท่านสุขันธะได้ขอทําบุญ อันหนึ่งคือขออบกลิ่นจันถวายเอากลิ่นจันไปอบกุฏิเพื่อให้กุฏินั้นมีกลิ่นหอมถวายพระพุทธเจ้าที่มีพระนามวกัะสปะจะทำกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งอย่างไรไม่ทราบรายละเอียดที่ผมว่าอย่างพวกเราอาจจะได้พอทากันบ้างก็คือเราเอาดอกเอาน้ำหอม ไปประหาพรมอย่างเช่นน้ำอบหรือเดี๋ยวนี้ก็ใช้น้ำหอมชนิดสเปรย์ฉีดอ่ะฉีดบูชาถือว่าเป็นการบูชาได้ของหอมถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ทรงบริโภคกุฏินั้นอีกแล้วก็ตามก็ยังถือว่ามีอานิสงส์ในทางนี้แต่เวลาทำแล้วนะจะปรารถนาว่าอย่างไรผมไม่รู้ท้ายผมเสนอความคิดก็บอกว่า อย่าไปปรารถนาเอากลิ่นหอมในทางจมูกเลยดีกว่าขอให้หอมด้วยสีเพราะว่ากลิ่นสี น, นั้นหอมทวนลมก็เลยกลายเป็นเออ่ก็จะอาจจะเป็นคนที่มีมีกลิ่นตัวหอมเป็นอานิสงส์เหมือนอย่างพระในพระมาร่ามีร่างมีกลิ่นหอมลระกลิ่นหอมคนพระมาร้าก็ตื่นตื่นเพราว่าท่านมีกลิ่นหอมไปกราบท่านเพื่อจะดมกลิ่นนะ พอหอมจริงหรือเปล่าก็ถามว่าทำไมถึงหอมก็เห็นบอกว่าท่านฉันแต่ผลไม้กลิ่นตัวอะไรหอมหอมพอาผลไม้เสร็ละมัง่งนี้เห็นพูดพูดกันจริงๆอาจจะหอมมาก่อนก็ได้เราก็ไม่รู้นะนี่จึงเป็นบุญพิเศษของท่านในเรื่องกลิ่นจึงได้ชื่อว่าสุขันธะเพราะเหตุนี้นี่ก็เป็นอรหันต์อีกองค์หนึ่งค่ะ คือว่าเขตที่มาบวชและมาเป็นพระหลารในการต่อมาเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระเทระองค์หนึ่งชื่อว่ามหาเสระขอเสือฟังธรรมแล้วก็เลื่อมใสไม่ได้ฟังจากพรธเจา้าแล้วก็ขอบวชก็บวชกระทันหบวชเสร็จแล้วก็บำเพ็ญความเพียรบรรลุพระหลานในเจ็ดวันนั่นเลย ถือว่าเร็วมากพวกเจ็ดวันความจริงเร็วเนี่ยต้องว่ากันเป็นสมัยถ้านี่เราว่าเร็วเนี่ว่าอย่างสมัยนี้ถ้าเป็นอย่างสมัยพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่พวกเร็วนะถือเป็นพวกกลางๆางพวกกลางๆงที่ว่าเจ็ดวันน่ะพวกกลางๆงพวกเร็วนะคือต้องฟังแล้บรรลุหรือบวชแล้วบรรลุอนะงค์ต่อไปองค์ที่ยี่สิบห้า องค์นี้นะ่ะเป็นเชื้อเจ้าสากยะแห่งเมืองกระบิ่ลพัด ท, ที่ชื่อว่านันทิยะนันทิยะองค์นี้สอบดูแล้วปรากฏว่าไม่ใช่โอรสของพระนางมหาประชาบดีที่ชื่อว่านันทะไม่รู้ว่าเป็นโอรธของใครคือพระที่ชื่อนันทิยะในองค์อื่นมีอีกที่เป็นลูกชาบ้านเป็นลูกเศรษฐีองเหนือ ออกบวชจนกระทั่งพ่อแม่ไม่เป็นอันบริหารทรัพย์สินหมดเนื้อหมดตัวเลยเพื่อตามหาลูกที่ถึงแต่ลูกนั่นองค์ชื่อนันทิยะแล้วก็เอาแม่มาเลี้ยงนตอนเป็นปลระพระุเจ้ธธาอนุโมทนาเป็นอันมากแต่องค์นี้ชื่อนันทิยะแต่เป็นเชื้อสายกษัตริย์เนี่ยเรียกว่าบวชตามญาติ ที่ว่าบวชตามญาติหมายถึงญาติคือพวกลูกท่านหลานเธอที่ออกบวชมาก่อนหน้านั้นมีพระอนุรุทธะเป็นต้นก็เห็นพวกเพื่อนๆที่อยู่ในวงังลูกเจา้าพี่เจา้าน้องบวชก็อยากบวชก็บวชมากบวชตามกัอนออกมาเมื่อออกบวชในลักษณะตามหรือเดี๋ยวนี้อาจจะเรียกว่าบวชเป็นแฟชั่นในกรุงกรุงกบิลพัด ก็เห็นจะได้แล้วมั้งแต่ไม่ไม่ใช่แฟชั่นแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะคือแฟชั่นแบบบา ร, รมีจริงมีบา ร, รมีก็ไปบวชแล้วเอาจริงครับองค์นี้เอาจริงปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งได้บรรลุเป็นอรหันต์ในเวลาไม่นานไม่ได้บอกว่ากี่วันก็ตีแล้วว่าครึ่งครึ่งวันซา เสร็จแล้วท่านก็จาลิกติดสอยห้อยตามอยู่ร่วมกับท่านอนุรุตตะแล้วก็เจ้าชายอื่นๆที่ออกมาจากสากยศกุลเด็กอันนี้ก็เป็นประวัติท่านมีท่านีนะอีกองหนึ่งชื่อว่าอภยเถระองค์ยี่หกท่านอภยเถระเนี่ยการจริงเราได้เคยเอ่ยชื่อท่านเกี่ยวข้องกับภิกษุณีรูปหนึ่งมาบ้างแล้ว ท่านผู้นี้เป็นโอรสของพระเจ้าบิณฑีสารแต่ไม่ได้เกิดที่เมืองมคตมาอยู่ที่เมืองมคตเมื่ออายุเจ็ดเป็นลูกของนางปทุมมาดีปทุมวดีขันนิกาชาวกรุงอุดเจนีเคยเล่าประวัติแหละที่เกี่ยวข้องกับผู้เป็นแม่แม่ที่ชื่อว่าอภยมาตาเทรีเนี่ยฮก็เมื่อโตเจ็ดขวบแล้วก็ส่ง ให้มาเฝ้าสเสด็จพ่อที่ไปเที่ยวสำนักสโสเภณีมาเมื่อกลางนั้น <c oughs> ในตอนแรกเนี่ยครับอาภิยราชกุมารหรืออภัยราชกุมารเนี่ยไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนามาแต่ก่อนแต่เลื่อมใสพวกนิโครนนับุตรพวกนักบวชแก้ผ้าถึงขนาดนิโครนนับุตรนะ่ะส่งมาโต้ว า, าทากุฏิจา ในอภัยและจูมานสูตรผมได้เคยอ้างถึงแล้วอ้างแบบย่อๆท่านนะะก็ตอนหลังเนี่ยเมื่อมาโตวาทากุธเจ้าเรียกว่าพอยกปัญหาขึ้นแพ้ทันทีอย่างที่ว่ามาแล้วรุธเจ้าบอกว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านพูดแบบแยกพูดคำจริงมีประโยชน์ ตูกใจไม่ตูกใจคนเนี่ยท่านเลือกการที่จะพูดทาา่นานว่าเท่านั้นแหละแพ้เลยเลื่อมสเลยแต่ยังไม่ได้บวชก็เลื่อมสายเป็นอุบาสกอยู่มาจนกระทั่งพระราชบิดาสวรรคตสวรรคตเพราะใครที่ไหนเรารู้กันดีสวรรคตโดยพระเจ้าแช่ศัตรูปรงพระชน ในนี้บอกว่าสังเวชใจเลยบวชไม่รู้บวชหนีหนีข่มหมอกคมดาบหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะแต่ในนี้บอกว่าสลดใจสะเทือนใจบวชอาจจะสองสองอย่างหรือตัวนี้เป็นปัจจัยสําคัญก็ได้อา่าเมื่อมาบวชมาฟังพระสูตรสูตรหนึ่งจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นโสดาบันก่อนแล้วต่อจากนั้นจึงได้ประบรมเพนความเพียรบรรลุพระอรหันต์ภายหลัง ก็ไม่นานนักแนี้บุญเก่าท่านเนี่ยท่านมีเรื่องที่น่าคิดสำหรับผู้แสดงธรรมเป็นพิเศษตรงนี้ครับกล่าวว่าในสมัยพระปัทธมุตระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ทรงธรรมและเป็นธรรมกถึกคือเป็นนักแสดงธรรมก็มีหน้าเกิดมาจากนี้ถึงพูดจา ก, ก่ง และเวลาเมื่อท่านจะเริ่มแสดงธรรมเนี่ยท่านจะมีบทนำพิเศษเหมือนอย่างพระจะเทศแต่โบราณมาถึงแม้เดี๋ยวนี้ไม่ทําตามแบบโบราณเต็มที่ก็จะมีคำกล่าวสดุดทดีพระพุทธเจ้าว่าพระรันาตนตรัยก็มีว่ารัตนาตายัตะหรือว่าขอความนอบนอบ้นอมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพูดเป็นภาษาไทยก็มี โบราณจะทํำกันอย่างนี้เป็นปกติติดกันมาติดเป็นจารีกันมาแต่ว่าท่านเมื่อสมัยที่เป็นนักเทศแต่ชาติปางก่อนสมัยพระสมุทตะพุทธเจ้าเนี่ยท่านถือว่าเรื่องการสะดวดีวิทธเจ้า เ, เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นท่านจะแต่งคาถาท่านเองแต่งคาถากล่าวสะดุดีพระพุทธเจ้า สี่บาทก่อนสี่คาถาสี่คาถาก่อนจะแสดงธรรมทุกครั้งผ่กระทําด้วยความร่วมสายด้วยความทราบซึ้งไม่ใช่ศักดิต์ตวาทําเป็นประปเพณีเพียงเท่านี้แหละวาเพียงเท่านี้แหละเหมือนเป็นบทสวดมนต์ใหญ่อันหนึ่งก่อนแสดงธรรมแล้วก็เท่ากับว่าได้ยกการแสดงธรรมนั้นเป็นเครื่องบูชาบูติชา ที่ว่าบูชาพทะเจ้าเนี่ยบุญกิยาทุกอย่างบูชาได้หมดบูชาด้วยบุญกิยาใดก็มีอานิสงส์พิเศษไปจากการบูชาด้วยบุญกิยาอื่นเช่นบูชาด้วยการแสดงธรรมถ้าท่านมูเรานึกย่างไงนะบูชาได้แสดงธรรมแสดงตามครั้งนี้ก็บูชาประพุทธประธรรมประสงค์เทพยดาอารักษ์ผู้เป็น ครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเรายกการแสดงธรรมให้เป็นเครื่องบูชาเราไม่เอาเราไม่นั่นก็จะเอานู่นเอานี่ยกให้พระเจ้าหมดทียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดแต่ท่านองค์นี้ท่านพูดออกมาเป็นคําประพันธ์อย่างพิถีพิถันจึงเป็นการบูชาด้วยด้วยธรรมคือธรรมเทศนาเป็นอาณาสงศ์ใหญ่ ท่านคุยเลยบอกว่าท่านทำอย่างเนี้ยตั้งแต่ชาตินั้นมาจนชาตินี้ไม่เคยไปอบายเลยไม่เคยไปเกิดเป็นไดชานเป็นแต่ท่านกล่าวเป็นคําพรมอันหนึ่งว่าวิบากของผู้เลื่อมใสเป็นอาจินไตเช่นกับผู้ที่เราเลื่อมใสคุณของท่านก็เป็นอาจินไต เนี่ยตือนมายว่าคุณเอาความง่ายๆว่าใครที่มีคุณอันประเสริฐเนี่ยคุณพิสดาบัลลึกเราคาดเราอย่างไม่ได้เป็นอาจินไตที่จะคาดนายออกและเราบูชาท่านบูนัน้นวิบากที่บูชาผู้ที่ทรงคุณเป็นอาจินไตความเลื่อมใสของผู้บูชาในคุณของท่านบูนัน้นก็เป็นอาจินไต ไปเช่นเดียวกันแต่นี่ถือเป็น ค, คําคมครับนี่เป็นนั้นว่าโอรสพระเจ้าบิพิสารเป็นพระอระหันต์ไปแล้วจึงได้ความว่าทั้งแม่ทั้งลูกเก่งกว่าพ่อแม่คือนางปฐุมบดีเป็นพระอระหันต์ด้วยพระลูกชายเป็นอรหันต์ด้วยพ่อเป็นแค่พระโสดาบันเหมือนอย่าง ท่านสุทินที่ทำผิดประราชิกที่หนึ่งลูกที่เกิดจากท่านเป็นพระละหาันแม่ก็บรุเป็นพระละหาันแต่ตัวท่านเองไม่ได้บรรลุอะไรเลยจึงเป็นเครื่องเป็นของไม่แน่ครับอันต่อไปองค์ยี่สิบเจ็ดครับชื่อว่าโลมาสักังคียะโลมะก็แปลว่าขนนั่นแหละสกกะัะก็คือของตน อังคะก็คืออวัยวะก็รวมความว่าโลมสะสักังคะหรือสักังคียะเติมยะปัจใจเข้าไปแปลว่าผู้มีขนเกิดในอวัยวะของตนคำว่าอวัยวะตรงนี้หมายถึงที่ไหนท่านบอกว่าหมายถึงฝ่าเท้า เราเลยได้บุคคลที่มีลักษณะพิเศษสององแลในสมัยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งคือท่านโสนะโกริวิสัที่เป็นชาวมคตนะองค์นั้นเป็นชาวมคตมีขนที่ฝ่าเท้าเป็นขนอ่อนสีสวยนุ่ม เ, เขาเรียกผู้ที่มีขนที่ฝ่าเท้าเนี่ยว่าเป็นสุคุมาราชาต คือมีวิบากดีแล้วก็มีความสุขสบายจนกรทั้งขนที่เราบอกขนหน้าแข้งไม่ล่วงนนี้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยขนฝ่าเท้าไม่ล่วงไอ้ของเรานี่พวกขนฝ่าเท้าล่วงตั้งแต่เกิดมันไม่มีของท่านเนี่ยไม่หล่วงเลยขนฝ่าเท้าไม่ล่วงยิ่งกว่าคนอันนี้ท่านบอกเหมือนกันแต่ว่าท่านโลมาสะกังกิยะนั้นเป็นชาวกบิลพัทและเกิดในศักยศกุลเป็นพระพยูรย่าติระบุติจา และที่บวชเนี่ยครับบวชตามท่านอนุรุธทธเป็นต้นที่ออกบวชกันพวกเจ้าชายมีท่านอนุรุทาเป็นผู้นำใหญ่ออกบวชออกบวชตามเนี่ยหมายเขาไม่ใช่ตามตอนนั้นแต่ว่าเห็นไปบวชแล้วก็นำร่องไปแล้วก็แับแกสนใจเลื่อมสายออกบวชตา่างดังนั้นพระอนุรุทธ์เป็นต้นเนี่ยคณะเจ้าชายชุดนั้นน่ถือว่าได้ ถ้าเราพูดเป็นแบบสํานวนเราเหมือนเป็นหนูตาเพาก็จะเกินไปแต่จะพูดในสํานวนอย่างเป็นความหมายทางธรรมะ ก, ก็คือเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างเป็นผู้ที่ทําให้เกิดการทําตามในทางที่ประเสริฐแก่เจ้าชายในวงสกุลหลายองค์เพราะท่านบวชและท่านไปได้ดีได้ดี แทนที่บวชแล้วจะเศร้า ซ, าซาอยง่อยเงาชีวิตตกต่าอยู่อย่างฟืนเครื่องอดจากลําบากชีวิตท่านประสบความสําเร็จมองหน้าก็รู้เลยคนให้ความเคารพเลื่อมใสทั้งหมู่พระทั้งหมู่โยมเจ้าชายองคอื่นก็มีความรู้สึกเลื่อมใสอยากจะเจริญรอยตามแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นความคิดปรารถนาลามกนะแต่อยากจะเจริญรอยตามก็บวช ออกตามกันมากันมากันมาตามลําดับของวิสัยบาลมีและจะตากรรมของแต่ละองค์แต่ละองค์ผมต้องบอกว่าในวังเนี่ยพิเศษเป็นวังที่เตรียมคนเข้าวัดเป็นวังที่คนมาเกิดนี้แล้วจะต้องเข้าไปวัดทีหลังนั้นไม่สมัยพุทธากาลไม่มีวังใดที่เรียกว่าคนออกไปบวชกันแทบจะวังล้าง วังนั้นอ่ะมีเหตุทําให้วังพินาศวังล่มสองอย่างหนึ่งออกบวชให้บวชนี่ไม่ล่มหรอกแต่ที่ล่มน่ะเพราะพวกไม่บวชเนี่ยทาไมบวชสงสัยโดนฆ่าไปแล้วพวกเจ้าชายทั้งหลายเนี่ยโดนไงฆ่าวีดูดอภะจาได้ใช่ไหมนี่ใครบวชก่อนเขาพลนโดนโคมห อ, อกคมดาบวีดูดอภะไปพวกบวชไม่ทานก็โดนกคมออกคมดาบเว้นแต่ว่า พวกที่เป็นลูกหลานใกล้คิดของพระมหานามะเท่านั้นแหละที่ลอดตายเอาไว้พรุ่งนี้ถ้าทันจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเราคนนึกว่าฆ่าจนวางล่างหมดตามจริงเหลือเหลือเพราะบารมีของพระมหานามะที่เป็นตาของวิรุธภะแล้วพวกนี้แหละครับที่เหลือมารับพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มาทวงแผ่นดินคืนตอนหลัง มาเป็นต้นวงของโมริยวงพอแควนโกสน ท, ทาํน า, า, า, า, าไปาทํมมาม า, เ ล, าสสเลยตกเป็นของพระเจ้าอาชาติตรหมดวิรุรภาก็ไปตายที่ริมแม่น้ำอจิรวดีเลยขาดกษัตริย์สืบมสันติวงเลยตกเป็นของพระเจ้าอาชาติโรวงนี้ก็ฆ่าพ่อฆ่าลูกไอ้ลูกฆ่าพ่อลูกฆ่พ่ อ, าพอมาจนห้าราชการก็เลยโดนปฏิวัติ แล้วก็ผู้ที่มาเป็นผู้ครองสืบต่อเนี่ยกลายมาเป็นพวกนี้ครับพวกเจ้าศักยะพวกเจ้าศักระย์เชื้อสายมานี่สมาเอาวันดินคืนกับพวกวัดชีอ่าไว้ยธาทานผู้นี้จะเล่าให้ฟังแลบุญสุดตอนหลังก็ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่แคว้นวัชจีกองกำลังกองขเรียน พวกอาชาติสูได้แันดินไปก็อยู่ไม่เป็นสุขอาจจะเล่าต่อว่าท่านบวช ด, ด้วยด้วยอันนี้บวชตามขรานี้สิ่งที่จะต้องกล่าวถึงเนี่ยบังเอิญเรื่องของท่านเนี่ยไปปรากฏเป็นเรื่องราวใหญ่โตและมีสาระยิ่งในทางปฏิบัติธรรมผมได้เคยนำเอามากล่าวเล่า ไม่ทราบว่าจะทำเอกสารให้หรือเปล่านะเมื่อตอนพูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอาจจะเป็นเรื่องปริญญาปัญญาครั้งใดครั้งหนึ่งพระสูตรนี้ชื่อว่าโลมะสะังคียะพัเทกะรัตสูตรยาวหน่อยแปลว่าพระสูตรที่กล่าวถึงราตรีเดียวอันจเจริญ อันเนื่องด้วยท่านโลมสะสังกิยาเรื่องสูตรนี้เล่าย่อๆให้ฟังว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารในสมัยนั้นท่านโลมสะสังกิยะจะพักจำพรรษาอยู่ที่นิคโครธารามนิคโครธารามอยู่ไม่ไกลจากตรุงกบิลพัท ส, สร้างโดยเจ้าสักยะถวายให้เพราะนั้นก็จะเห็นว่าพวกพระ ที่ออกมาจากวงสักยะเนี่ยบวชแล้วไม่โดยเสด็จพรที่อื่นก็พักยามบรรสายดีนะท่า <c oughs> นนี้ <c oughs> วันหนึ่งก็มีเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าจันทนะเทพบุตรได้มาหาท่านโลมสะสักังคิยะถึงที่อยู่ที่มาเนี่ยมาเพื่อสกิจบารมีเก่า อันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องบารมีเก่าคนเวลาจะทำให้เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาถ้าไปสะกิจถูกบารมีเก่าเข้าแล้วก็เราไม่เรียกแผลแผลเก่านะไอแผลนั้นมันเจ็บไปสะกิดถูกบารมีเก่าเขาเนี่ยความรู้สึกในธรรมจะปรากฏเลยบารมีเก่าคืออะไรอย่างไรเนี่ยก็ว่าไปตามลำดับว่าท่านจันทนะเทพบุตรองค์นี้นะ่ะ เคยเกิดเป็นพระร่วมสำนักกับท่านโลมสะสักังคียะมาสมัยแต่พระพุทธเจ้าในอดีตคือพระพุทธกัสปะและได้สนใจเรียนธรรมะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพัฒเทกรัตธรรมเนี่ย ถ้าเป็นธรรมเรียกว่าปฏิกา ร, รัตะธรรมแปลว่าธรรมที่กล่าวถึงราตรีหนึ่งอันจเจริญซึ่งก็หมายความว่าผู้ใดที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันะเอาความง่ายๆอย่างนี้คนที่อยู่กับวิปัสสนากรรมฐานจับอารมณ์ปัจจุบันได้ผู้นั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งของผู้นั้นชื่อว่าเป็นวันหนึ่งอันจเจริญ จะเลินหมายถึงวันดีผูดสำนวนไทยเรียกว่าวันดีคืนดีถ้าจับอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้วันนั้นไม่ใช่วันดีคืนดีเป็นวันที่แสดงว่าคนนั้นยังไม่มีอนาคตคนไหนที่ทำวิปัสนาและจับอารมณ์ปัจจุบันได้เป็นวันดีคืนดีเพราะคนที่จับปัจจุบันอารมณ์ได้คนนั้นมีอนาคตในดำจริงไม่จริงมีอนาคตเลยเพราะว่าปัจจุบันที่จับได้เนี่ยแหละครับ สภาวะทำในทางลึกย้อนลงลึกย้อนไปสู่อดีตอนาคตต้องมีปัจจุบันเป็นหลักวิปัสนาไม่ใช่ไม่รู้อดีตอนาคตที่อกว่าแลยแต่ต้องเป็นอดีตอนาคตต้องเป็นตัวมันเน้นปัจจุบันปัจจุบันเป็นหลักเคยพูดมาเยอะแล้วตรงนี้จึงชื่อว่าเป็นคนที่มีปัตมีอนาคตเวลา ตอบอารมณ์โยคียเป็นไงกําหนดปัจจุบันได้ไหมบอกง่วงทั้งง่วงในปัจจุบันอยู่ไหมฟุ้งปัจจุบันอยู่ไหมวิจิกรช้าไม่อยู่ครับแล้วบอกไม่ฟุ้งไม่ง่วงแต่ว่าไปจับบัญญัติยังไม่ดีจับบัญญัติมายก็ไม่โดนปรมัตาจับปรมัาแต่ว่ามันไถยไปสู่อดีตในการอันไม่ควร ในดานาไม่ควรอนาคตในดานะไม่ควรยังไม่เจริญยังไม่อยู่บนคัลองของวิวัฒนาเพราะฉะนั้นใครที่ถึงปัจจุบันได้คนนั้นชื่อว่าเป็นคนมีอนาคตวันนั้นเป็นวันดีอันนี้เราถือเป็นเคล็ดใหญ่เลยนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสมมุติว่าจะตายขึ้นมาไงนีนะไม่ต้องไปนั่งห่วงว่าจะไปไหนไม่ต้องไปนั่งห่วงว่า ไอ้ข้างหลังนจะเป็นยังไงหรือนั่งรถนั่งเรือซึ่งบินรถ ล, ลาจะความจะเฉียวทิ้งอย่างอื่นหมดให้อยู่กับปัจจุบันจิตเราเป็นยังไงตอนนะั้นนะดูปัจจุบันจับปัจจุบันให้ได้แล้วมันกลายเป็นเครื่องคุมตัวเป็นของดีผมว่าดีกว่าพลาอองนะถ้าเครื่องตรงนี้ดีกว่าปลาเพราะว่า ไ, ไอ้อย่างนี้ไม่ได้แปลไม่ตายนะ แต่ตายกับปัจจุบันแล้วเป็นคนตายที่มีอนาคตเป็นคนตายดีเรียกว่าตายดีตายกับ่าพัทธเทกตรัตรธรรมชื่อว่าตายดีมีอนาค อ, อในชาตินั้นน่ะพระสององคุยกันอย่างนี้องค์ที่ไปเป็นเทวดายตายแล้วไปเป็นเทวดาเป็นจันทน์าเทพบุตรเนี่นะอีกองค์หนึ่งตายแล้วก็เวียนไว่ายตายเกิดมาพอสมควรก็ชาติสุดท้ายนี่เกิออดแยกกันองค์หนึ่งเป็นเทวดาองค์หนึ่งมาเป็นเจ้าสกยล แต่ในชาตินันนะ่ะองค์เป็นเนวดาถามว่าเออเนี่ยคุณพัทเทกะรัตธรรมเนี่ยคุณก็ฟังมาคุณทรงจำได้คุณอธิบายแล้วมโอ้ยังเราเอาไว้ก่อนนั่นนะผมยังไม่อยากจำอยากท่งเวลานี้ผัดที่เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ให้ถึงเวลาแล้วผมจะเหรียนผมจะส่งผมจะใช้ผมจะปฏิบัติ เสร็จแล้วทำไปทำมาไม่ทันได้ใช้มรณะภาพซะก่อนแต่ว่าองค์ไปเป็นเทวดาจำได้อันนี้ผมต้งบอกว่าใครมีเพื่อนเป็นเทวดาในโชคดีนะโชคดีมากจะเป็นเพื่อนคบกันมาในฐานะอะไรเป็นเจ้าบุญในคุณอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เป็นเทวดาโอ้เรียกมาใช้ให้เป็น น, ะ, น ะ, ะ่รับะเขาอยากจะช่วยอยู่แล้วยื่อใยมีแล้วก็ อ่าเขาก็อยากทําบุญด้วยแล้วเขารู้ช่องรู้ช่องที่เราเคยเกิดกันมาเนี่ยนะเ่าเคยเกิดกันมาเช่นว่าในตอนนั้นเราเป็นสิทธิยานุสิ์เขาก็ดีหรือเป็นอาจารย์เขาก็ดีมันก็กลับกันไปแต่ละมายแล้วก็มันมีสายโยงต่างคนต่างไป mm. เราอธิษฐานดึงได้พวกนี้จะร้อนจะร้อนส่ง กระแสไปถึงแล้วเขาจะมาช่วยบางทีเขาก็มาเองถ้าเรามีความน่ารักมากเป็นพิเศษสําหรับเขาแล้วเขามาเองมาเวลาเราบอกเขาบอกใครเป็นครูบาอาจารย์ก็มาอย่าไปบอกใครเป็นลูกศิษย์เรามาเดี๋ยวจะหาว่าเราทวงบุคคุณนะเอาใครเป็นครูบาอาจารย์เอาถ้าใครมาเรายกให้เป็นครูบาอาจารย์ซ้ําก็ไปเอาบุญยกบุญนะอีกให้มาช่วยเหลือเกือ้อกูลล่ะพวกนี้ก็จะมาทีนี้สมัยพุทธกาลเนี่ย ถึงมีข้อสังเกตว่าเทวดามาเกี่ยวเยอะนะอย่าได้สงสัยเลยนี่พูดถึว่าถ้าเราเชื่อว่าเทวดามีอความสํมาคัญอะไรมีนะไอ้ทาไมรุ่นเรานั้นเรียกไม่ก็จะมาเลยก็อย่าว่าแต่เทวดาเลยันัดมีสมุดโทรศัพท์อยู่ในมือโทยังไม่อยากมาใช่ไหมลูกเรายังไม่อยากมาเลยถูกไม่ถูกเอ้อทำไมเป็นอย่างนั้นบางทีหน้าที่เขาก็แท้ๆยังไม่ไม่ยอมทํำให้เลย ต้องหยอดนั่นหยอดนี่ถึงจะยอมทำเข้ามาแล้วทาไมบางคนก็คอบางคนก็ถึงขวนขวายกันนะอยากจะมีส่วนร่วมกิจการรมช่วยเหลือเกื้อกูลไอ้นี่มันก็แบบเดียวกั น, น่ะมันอยู่ที่บุญคนอยู่ที่อะไรที่สั่งสมมาแดอดีตเนี่นะบุญทำมาอันหนึ่งแล้วก็ไอ้ความเกื้อกูลอันหนึ่งคือลักษณะทางมนุษยสัมพันธ์กับลักษณะทางบุญบรารมีที่สั่งสมไว้ ถึงว่าเอาละเราจะทำไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้เรายังไม่สายเกินไปเขาเป็นธรรมดาแล้วเราก็ทำให้นะไอพอจะมีเชื่ออยู่บ้างก็ก็หันมาเต็มที่หน่อยไอพวกไม่มีเชื่อค่อยๆค่อยๆเส้นนวก่อนเนี้ยเส้นก่อนเส้นส้วงบูชาผูกไมตรีกันไว้มีอะไรเาก็ช่วยเราได้จริงๆครับพวกนี้ช่วยจริงๆะแล้วก็ อย่างเรานะอาจจะถึงขั้นพอพิสูจน์เรื่องพวกนี้ได้ด้วยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมอย่างที่ว่าให้เกี่ยวข้องกันมาอย่างนี้พอท่านองค์นี้มาบวชแล้วก็ไม่ได้ขนขวายกระตือรือร้นที่จะเจริญธรรมอะไรแต่แรกหรอกครับคือบวชอยู่วัดญาติโอ๊ะง่ายบวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะเหตุผลอย่างที่ว่านั้นจริงแต่ยังไม่ถึงท่านกระตือรือร้นเพื่อนก็ คิดจานุเคราะห์ก็ลงมาหาแล้วก็มาถามว่าท่านจำอุทเทศและนิเทศอุเทศนิเทศหมายถึงหัวข้อและบทบรรยายขยายความของพัฒเการัตธรรมได้หรือไม่ตอบแทนดิฉันจะตอบว่าไงท่านบอกว่าจำไม่ได้ เมื่อบอกก็จําไม่ได้พระก็ถามย้อนถามเทวดาว่าแล้วท่านจําได้ไหมล่ะบอกคุ้มก็จํำไม่ได้ก็เท่ากันแล้วท่นนี้เทวดาก็ถามเอาถ้าอย่างนั้นท่านจำคาถาค า, า, าถาหมายถึงคำที่แต่งอย่างสั้นที่สุดประมวลความในหลักของอุดเดีศของพัฒการัตธรรมได้หรือไม่พระบอกจําไม่ได้ ก็ย้อนถามเทวดาและจำนะบอกเออถ้ายาถ้าคาถาผมจำได้ผมจำได้ไม่เคยลืมตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนี่พอพูดอย่างนี้เทวดาก็ต่อว่าเลยต่อว่าเนเพื่อทำให้เกิดความสลดใจบอกท่านเนี่ยลืมไปแล้วเราเนี่ยเคยเกิดเป็นพระร่วมสำนักพระผู้มีพระภาคมีพระนามประกาศสัปะท่านนะ่ได้เคยผัดพรแค่ผม ที่จะอธิบายคาถาของพระเตกาลตธรรมแก่ผมและท่านยังติดค้างผมอยู่เดี๋ยวนี้นะผมต้องการจะมาทวงให้ท่านอธิบายนะนี่ก็ถือว่าให้เพื่อนปฏิบัติ ด, ด้วยนี่ท่านไม่รู้อะไรเลยพระกอบท่านรู้สู้ผมไม่ได้ด้วยผมยังจำคาถาได้ทั้นไม่จำอะไรเลยชื่อท่านกเกือบจะไม่ได้ยินพอได้ฟังเพื่อนต่อว่าอย่างนี้ โอ้เราผัดมาแล้วนี่จะผัดต่ออีกเนี่ยเกิดความสลดใจนะคือไอ้คนเรานี่มันก็แปลกนะบางทีไปเริ่มต้นาศาสนาที่เมืองนอกไอเพราะไอาฝรั่งเป็นเทวดาถามมาถามอย่างงี้อย่างงี้ให้ถึงสนใจว่าเรื่องนั่นเกออะไรไอ้คำถามเนี่ยเป็นเรื่องน่าทำให้คนสนใจพอรุ่งเช้าก็เก็บอาสนะอัฐาบริขาร รีบจาริกมุ่งไปสู่เจตวันเลยไปขึ้นก็ไปกราบทูลเนื้อความทั้งหมดแก่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านั่นแหละจันทนะเทพบุตรสาหายของเธอนะลงมาถามเธอเพื่อจะมุ่งประโยชน์อนุเคราะห์ท่านก็เลยแสดงพัดอาพัะเทศพัเทรตกธรรมให้ฟังแล้วก็ได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติ ต, ตามนั้น จึงในที่สุดท่านโลมาสกังคิยะก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์อยู่ที่ราวป่าก็ไปเลยได้บรรลุพระอาหารหันต์เนี่ยเพราะเทวดาช่วยอะเทวดาเป็นแรงกระตุ้นให้แล้วไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ธรรมดาเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้พัญญาด้วยครับเทียบว่าเป็นพระอาหารหันต์อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นประวัติของท่านเลาวพสูตร โดยเนื้อความเติมให้ฟังหน่อยต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดชื่อว่าชัมพุคามิกะปุตตะเทระท่านผู้นี้ <c oughs> เป็นชาวจำปาชาวนครจำปาและเป็นลูกของอุบาศกชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งชื่อพ่อก็คือชัมพุคามิกะอุบาศกนั่นเอง แล้วก็เติมคำว่าปุตตะเข้ามาก็เลยกลายเป็นชื่อของตัวที่เพื่อนสาพรมจาลีที่บท่ษฐานอย่างนั้นได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเนี่ยเราได้ฟังธรรมจากพระผู้มิพระภาคเมื่อทรงสเสด็จไปอยู่พำนักอยู่ที่ป่าอัญชนาวันเมืองสาเกตเมืองสาเกตก็เป็นเมืองรองของเมืองสาวัตถี มีพระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นเป็นอันมากที่เมืองนี้เหมือ น, นกันก็เป็นอันว่าบวชด้วยความเลื่อมใสเพราะได้ฟังธรรมเนื่องจากว่าพ่อของท่านเนี่ยเป็นอุบาสกเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าลูกบวชก็ดีใจแล้วก็อยากยาให้ลูกนั้นประสบความสาเร็จในชีวิตของการบวชวันหนึ่งเนี่ยพ่อก็ส่งจดหมาย ฉบับหนึ่งมาหาลูกที่ส่งจดหมายมานี่ก็เพื่อที่จะอทดลองใจลูกแล้วก็แฝงไว้ด้วยคําสอนให้ลูกเกิดความสะดุ้งสะเทือนใจด้วยจะได้รีบเร่งปฏิบัติทำให้พ่อได้ชมเชยเอผ้าเหลืองที่เป็นผ้าเหลืององบล่าล้านจริงๆก่อนตายในจดหมายทนะี่ส่งมามีข้อความว่าลูก พร้อมกับจดหมายเนี่ยลูกบวชในลูกขวนขวายอยากจะได้ผ้าชอบผ้าสีสวยๆอะไรบ้างไหมถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าจะเอากางเกงยีนรุ่นไหนดีลูกมียีนรุ่นใหม่ตกมาแล้วคือเพื่อจะลองภูมิลูกอะถ้าลูกมีความรู้สึกยินดีในเสือ้อผ้าคือไอ้ไอ้ไอเรื่องวัตถุกรรมเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ย ความจริงพระก็ต้องนุ่งผา้าข่มผ้าแต่ถ้านุ่งผา้าห่มผ้าแม้จะเพียงเป็นจีวรอยู่แต่มีความคิดแสวงหาเนื้อผ้าอย่างเป็นค่าทางวัตถุกรรมนะอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าแสดงว่าใจของลูกนั้นยังห่างผ้าเหลืองข่มจีวรแต่ว่าข่มแบบห่างผ้าเหลืองมันครึ่งจีวรครึ่งกางเกงคือเอาผ้ากางเกงไปทำจีวร คำนองนี้ยังคิดจะเอาภาเกงไปทางจีวรนี่เทียบไ่ฟังนะแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกันอันนี้มันก็มีแบบพระแบบโยมพอลูกได้ฟังพ่อถามอย่างนี้ก็มีความรู้สึกละอายเกิดความรู้สึกสังเวชว่าเหมือนพ่อเนี่ยไม่ไว้ใจเราเหมือนเราเนี่ยยัง อาจจะทำตัวให้พ่อดูถูกได้เราไม่อยากให้พอ่อผิดหวังพ่อให้บวช ด, ด้วยความหวังให้เราได้เจริญในธรรมจึงกลายเป็นเครื่องกระตุน้นเกิดสังเวชเรื่องสังเวชธรรมมีหลายอารมณ์นะฮะคืออ่านอ่านแล้วก็เมื่อก่อนก็นึกแคบ์แคร์ทำไปทามาแล้วมีหลายอารมณ์สังเวชธรรมนะตอนนี้ยังไม่ได้สรุป มากเพีดีควรแต่ให้รู้ว่ามีหลายอย่างมากกว่าที่เราเข้าใจกันแต่เดิมจึงขวนขวายในการปฏิบัติกรรมฐานนับแต่นั้นและว่าไม่นานเลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยพิญญาทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นก็ไปโปรโดญาติไปโปรโดญาติคือญาติที่อยู่ทางบ้าน ญาตาิหลายก็สร้างวิหารให้ให้จำรรษาเป็นเนื้อนาบุญท่านจะอยู่นานแค่ไหนยังไงไม่ปรากฏองค์นี้แหละครับที่ผมว่า <c oughs> ทำบุญด้วยการบูชาโดยอาการประหลาดทั้งที่ไปอินเดียเนี่ยไปที่เจดีที่เรียกว่าทำเมกเมกาสถุก แล้วก็ก็มีพวกเราเอาพวงมาลัยสบู่นะไปพวงไปหลายพวงไปที่ต่างๆก็เอาไปบูชาทีนี้บางที่ก็มีที่ที่เหมาะที่จะบูชาดีทีนี้ตรงนั้นเนี่ยไม่รู้จะวางบูชาตรงไหนวางข้างล่างเดี๋ยวแขบก็เอาไปนะเราก็ไม่อยากให้แขกบาปแม่เราก็อ้างไว้ได้ก็ หมองหาช่องก็บังเอิญหลบๆเจดีย์ชั้นสูงขึ้นไปหน่อยเนี่ยขนาดและเกือบๆถึงเพดานมีช่องเล็กๆเกี่ยวเป็นฐานลึกกคบ น, นิดแล้วก็เป็นช่องหลับลเราก็คิดวอาถ้าจะให้อยู่ถาวรต้องโยนขึ้นไปบนนั้นเอาบันไดมาปีกไม่มีเอาไม้มาคำ้ำมายันก็ไม่ได้ก็เลยผมก็ช่วยโยนให้โยนขึ้นไป ด้วยความรู้สึกแหมมันการบูชาด้วยอาการที่ไม่ค่อยจะน่าดูเลยโยนขึ้นไปให้ปลา <c oughs> ใ่ไหมเพราเราของเอาอะไรไปโยนให้ปลาเนี่ยดูไม่น่าดกูก็กลัวจะเป็นไม่เป็นบุญเท่าที่ควรนึกเกรงจะเป็นอาการที่ไม่เหมาะสมไอ <c oughs> ้สุก็โยนทีแรกหล่นลงมาดอกมะลิสับู่แถลกระจายบ้างบางส่วนแต่ยังดีอยู่ก็โยนอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นไปได้ ก็มีพวกเราอยู่ข้างๆกลัวจะเห็นเป็นลางร้ายกระิบบอกว่านเนี่ยเวหลายโยนดีแรกหรือว่าเป็นนามโยนดีหลังหรือว่าเป็นลูกครบทั้งนามทั้งลูกแล้วเลยขึ้นได้อาจารย์หวงคำมลพูดว่างั้นก็ปลอบใจทีนี้เรื่องนี้นะ่ะมีอาการคล้ายๆกันตรงที่ว่าเมื่อสมัยพระพุทธเวสภูพุทธเจ้า ท่านได้ไปเก็บดอกทองกวาวมาได้จำนวนหนึ่งด้วยความสวยงามแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งไม่รู้ทรงประทับอยู่ที่ไหนก็อยากจะบูชาด้วยดอกไม้นี่ทำยังไงถึงจะบูชาได้ก็ไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนเลยใช้วิธีเอาดอกทองกวาวในอธิษฐานว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประทับอยู่ที่ไหนก็ตาม ข้าพระองค์มีได้รู้ขอบูชาด้วยดอกทองกวาวเหล่านี้ก็อธิษฐานโยนสาดขึ้นไปบนอากาศนั่นแหละคือบูชาแล้วด้วยวิธีอย่างนั้นไอจะไปวางโคนต้นไม้มันก็กลายเป็นดอกทองกวาวหล่นไปเพราะที่มันไม่เหมาะนะก็โยนขึ้นไปดันั้นนี่เราก็ได้เคล็ดนะได้เคล็ดว่าเออถ้าเราไปอยู่ในที่สีหา ที่วางที่อะไรไม่ได้ในสถานารบางอย่างอาจจะไปขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็โปรยลงมาก็ได้ก็ถือเป็นการบูชาขึ้นไปบนยอดไม้ว่างบนยอดเขาว่างป่าไปกลางอากาศบูชาได้กลิ่นได้อะไรแบบที่เบตที่เขาเอาธงมาเขียนแล้วก็ให้ลมตีสะบัดพัดไปพัดกาถาบทสิ่งดีบูชา ถือเป็นการบูชาด้วยแรงลมและท่านก็บอกว่าไอ้ที่ท่านบูชาด้วยอาการอย่างนี้คงไม่ได้บูชาครั้งเดียวบุญนี้ได้นําท่านไปสู่การปฏิสนธิหลังจากตายไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงด้วยการบูชาเพราะฉะนั้นใครที่เกิดทันพระพุทธเจ้าเนี่ยแหมมองดูแล้วหัวใจถ้านจะไม่เคยแฟบเลยนะต่อให้เป็นเดรัจฉานด้วยผมว่า เดลัชฉานได้ไปเจอคนดีเนี่ยเหมือนกับได้คนที่รู้ภาษาตัวนะตัวได้รู้ภาษาเขาเดี๋ยวมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องเดลัฉานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพระดีๆสมัยเนี้ยเราก็เห็นคนมีธรรมะสูงเนี่ยทาให้โลกขาดรมแดนไม่มีรมแดนนะเกิดพารรรภาพทางการสื่อความหมายและเดลัชฉานจะเข้าใจจะ เป็นการอนุเคราะห์ทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉานอย่างว่าจริงๆนะทีนี้เราพูนว่าเราไม่ได้เป็นเดรัจฉานเนี่ยเราเป็นมนุษย์รู้ความได้มากกว่าโอ้ใจเราคงพองทั้งวันนี่พูดว่าถ้าเรามีศรัทธาใส่บาตรทุกวันแล้วโอ้โใส่พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โอใจชื้นไปชื้นไปตลอดชีวิตเลยนะแล้วใส่พระสงฆ์อรหัน์ ทุกวันซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่อิ่มไม่ใช่ชื่นไปตลอดชีวิตแล้วอิ่มเลิกทํานะไม่อิ่มเกิดความรู้สึกมีความสุขยิ่งสุขยิ่งยิ่งขึ้นและแม้ว่าถ้าเรารู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ทางทิศไหนมิอยู่แน่ๆเหมือนเราไปไปอินเดียเนี่ยเรามีความรู้สึกอันหนึ่งผมมีความรู้สึกอันหนึ่งเหมือนเหมือนฝันไป มันเหมือ น, นเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ใครคิดยังไงบ้างผมไปอ่านหนังสือเก่าๆแล้วไปเจอคนหนึ่งพูดเหมือนผมคือหลวงวิจิตท่านไปเมื่อปีพศสอง9ันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าผมเกิดเก้าเจ็ดท่านไปพศสองพัสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดิเก้าห่างกันยี่สิบปีท่านว่าท่านไปแล้วท่านเหมือนฝันไป เ, เกิดสันทา เมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะน่าศรัทายิ่งกว่า น, นี้สถานที่ต่างๆนะโดยเฉพาะ พ, พุทธคยาที่ท่านไปไอ้เวลาที่เราไปเนี่ยไอ้ตรงสะโบกกรณีที่เขาขุดเป็นสามมุจลินจาลองเนี่ยมาขุดที่หลังสมัยหลวงวิจิตรไปเนี่ยตรงนั้นเป็นเนินดินสูงอ่ะเป็นเนินดินสูงแล้วลาดลงมาลาดลงมาหาแม่น้ำเนลัญจาราลาดลงมาโดยลําดับแล้วก็ต้นโพ ขึ้นอย่างเี้ทรงประทับหันไปทางคือว่าเบื้องหลังพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นเนินดินสูงต้นโพแล้วเป็นเนินดินทีิลาะขึ้นไปสวยมากตอนนั้นบอกว่าสวยมากแล้วไม่ลกปรุงรังเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ไอล้ลานค้งลางค้าสิ่งสกปรกแขกไม่รบ ก, กวนเหมือนเดี๋ยนี้ก็มีบ้างแต่ไม่รบ ก, กวนไงนแล้วข้างหน้าเป็นแม่น้ําในลันชลา หวยจริงนขนาดว่าเดี๋ยวนี้เศร้าหมองไปเยอะแล้วยังมีความรู้สึกว่าหน้าลื่นลมมากเป็นเสนาสนะสัพยะอย่างพิเศษและมีความเป็นสัพยะสัพยานี่ยจะเปนเนื้อแกนลมว่างกาศสัพยะอีกชนิดหนึ่งคืออะไรลึกๆที่อยู่ในสถานที่เรานั้นเป็นสัพยะพิเศษเป็นันจบพระเรื่องของพระลูกนี้ไปขึ้นยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้านะชื่อว่าหาริตะท่านผู้นี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเกิดในสกุลพระมาหาศารเมื่อเจริญวัยขึ้นสมควรออกเดินก็แต่งงานชีวิตครอบครัวของท่านผู้นี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีปัญหามีความสุขฐานะก็ดีคนในครอบครัวก็ดีภรรยาก็ดีมีความสุ ข, านานนสขจนกระทั่ง วันหนึ่งมีบาลมีทามาปรากฏในประวัติบอกว่ามองดูรูปตนในแว่สองมองด้วยตาธรรมะเห็นแล้วมันเกิดความสลดใจมันเหมือนกับว่า เ, เห็นความชาลาปรากฏเห็นความอภรรักปรากฏเห็นความปฏิกูลปรากฏบนหน้าของตัวเอง ไอ้ตรงนี้นะบางทีก็อาจจะไม่แปลกไปจากพวกพวกเราเคยมองมองหน้าคนอื่นมองหน้าตัวเองบางทีมันก็คิดน่ะถ้ามองแบบไม่คิดก็ไม่คิดถ้าคิดเนี่ยมันออกเลยอย่างมองปากคนที่โห้โหมันสกับโครกสิ่งดีนะปากคนดังนั้นต้องระวังใครมีธรรมะสูงต้องรีบปิดปากมองจมูกมองขนในจมูกมองตามองหัวตาหางตามองลึกเข้าไปถึงเอ้ส่วนบนของตาตัวนล่างของตา มันโซกระปลกค่มองหูนึกเข้าไปข้างใ น, นมันโซกระปลกมองลึกเข้าไปในรูขุมขนเวลาอยู่กันใกล้ๆหรือส่องหน้าตัวเองกระจกเนี่ยมันน่าเกลียดแล้วถ้าเราวางหน้าอย่างหนึ่งมันก็หน้าเปรียดอย่างนะ น, นะฮะเวลาส่องตอนตื่นส่องตอนง่วงมันก็อย่างหนึ่งแล้วบางทีมันมองเลยไปถึงอนาคตงที่มองส่องกระจกแล้วมองเห็นกระดูก มองลึกก็ไปถึงก็ดูคือคนเนี่ยมันหาเรื่องมไอ้นี่หาเรื่องหมายถึงพูดภาษานักเลงแต่มันหมายถึงธรรมะของคนที่ในบางจังหวะนมันรวดออกมาตอนนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่อะไรกันนี่เอ๊ะนี่อะไรกันนี่เราทําไมเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นสาระนี่ถ้าตัวเราไม่เป็นสาระแล้วเมียเราจะเป็นสาระยังไงเงินทอง